บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสึกต่อไปเรื่องของสังโยชน์คือกิเลสที่ผู่ใจใส่ใจกดเอาไว้ตามปกติแล้วจะสงบอยู่ภายในใจในลักษณะของการเหนียวนึกการรึกนึกเพิ่มนาฏของกิเลส ท่านก็ไม่ถือว่าระดับ น, นเป็ น, นเป็นสังโยชน์แต่ท่านเรียกว่าเป็นอกุศลวิตกคือตรึกนึกด้วยอำนาจของอกุศลเพรตรึกนึกด้วยความไม่ฉลาดในกรณีที่เขาเกิดกลุ้มรุมใจยอย่างต่อเนื่องท่านก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสังโยชน์แต่ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์ แปลว่าสิ่งที่กั้นจิตคนเอาไว้ไม่ให้บรรลุความดีตักษณะของกิเลสระดับของนิโรธของสังโยชน์นั้นก็คือจะฟูขึ้นเมื่อจิตประสบกับอารมณ์หมายความว่าก่อนหน้านั้นความรู้สึกด้วยอำนาจกิเลสยังไม่มีแต่มีสิ่งร้าวผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าเหนียวดึกด้วยใจ อาการของกิเลสก็อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นอาการก่อนจะเกิดขึ้นของกิเลสเหล่านั้นท่านก็เรียกว่านิยตสังโยชน์แต่พอเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นรูปของนิวร์รูปของวิตุกที่เป็นอกุศลนะครับเพราะการกระตุ้นของอารมณ์ภายนอกที่จริงเป็นเรื่องปกติธรรมดา เราคนเราก็มีตาหูจมูกร่างกาใจตาคงต้องเห็นรูปหูงต้องฟังเสียงเป็นต้นตามตามปกติแต่การที่กินเลือเกิดนั้นหมายความว่าใจเราไปให้ความสําคัญแก่อารมณ์เหล่นั้นด้วยอํานาจความรักบ้างความฉังบ้างความหลงบ้างอาการของนิยต์ของของสังโยชนเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแต่ว่าการเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเรียงลําดับอย่างนั้น ก็แล้วแต่พื้นฐานจิตของเราประการหนึ่งกับการกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆประการหนึ่งแต่การเรียงนั้นทรงเรียงไว้ตามความหยาบรางละเอียดของสังโยชน์โดยสายการตัดขาดของพร ะ, ะบุคคลระดับต่างๆเป็นเครื่องกำหนดได้พูดมาถึงสังโยชน์กลุ่ม5้าข้อแรก ที่เราเรียกว่าโอรัมพาคิยสังโยชน์เปร่าสังโยชน์เบื้องต่ำหรือสังโยชน์เบื้องล่างที่พระยาบุคคลส า, สามระดับทันละได้มาโดยตรรม ด, ดแต่คนที่ละได้ครบจริงๆทั้งห้าประการก็คือพระอนาคามีกับพระอาราหันต์เรื่องของพระอนาคามี เป็นพระรยะบุคคลระดับสาม เ, เรียงมาจากพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วเป็นพระหันโดยชื่อแล้วหมายถึงผู้ที่ไม่ย้อนกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกมาความว่าตายในโลกมนุษย์แล้วก็จะไปอุบัติในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสแล้วจะดำรงอายุอยู่ นานมากในสุดก็จะนิพพานคือบรรลุอรหัตเป็นพระหันแล้วก็นิพพานในที่นั้นแต่ท่านก็จำแนกแบ่งแยกพระนาคามีแตกต่างกันออกไปเป็นห้าระดับซึ่งก็เป็นข้อที่น่าสังเกตคล้ายๆกับเกรดหรือเปอร์เซ็นต์ของการเรียนการสอนการเรียนการสอบของนักเรียนนักศึกษาแม้จะเรียนจบ รับปัญญาบัตรมาด้วยกันหรือรับประกาศนัญาบัตรมาด้วยกันแต่พื้นฐานลึกๆของนเรียนนักศึกษาหเหล่านั้นมีความยิ่งมีความหยอนไม่เสมอกันดูตลอดถึงความถนัดความชนิชนานการแตกฉานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีความยิ่งความหยอดกันเพราะท่านจําแนกพระนาคามีออกไปเป็นห้าประเภทนั้น มันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหลักของท่านที่แตกต่างกันในการบรรยายนั้นได้ผ่านธรรมะกลุ่มที่เรียกว่าอินทรีย์อยู่บ่อยๆเพราะอะไรเพราะกลุ่มอินทรีย์นั้นเป็นธรรมะหลักที่ใครก็ตามให้สมบูรณ์ได้ผมก็เป็นพระหันแล้วอย่างห้าข้อแต่นั้นเองพระนาคา ม, มีประเภทแรก ที่บังเกิดในสุทธาวาสคำว่าสุทธาวาสนั้นแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยของผู้บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์จริงๆจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลสภาพแวดล้อมลักษณะทางอารมณ์สังคมของคนอื่นเป็นยังไงก็ตามท่านก็เป็นก็ท่านอย่างนั้นาการบังเกิดในสถานที่นี้ได้ ก็ต้องอาศัยประตัยการทางจิตทิละสังโยชน์ได้หมดห้าข้อแรกแล้วก็บังเกิดเป็นพระนาคามีใวลักฐานทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีบ่อยครั้งที่ปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาพระนาคามีก็จะลงมาช่วยมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แล้วท่านก็กลับไปเรียกจริงๆเขาเรียกว่าพรหมแต่ว่าในที่บางแห่งก็เรียกว่าเทวดาตอนความยิ่งความหย่อนของท่านที่ทำให้ท่านบังเกิดพิรณ า, าคารีที่แตกต่างกาันนั้นท่านแรกบังเกิดระดับที่เรียกว่าอาวิหาที่แปลว่าผู้ไม่เดือดร้อนอะไร อินทรีย์ทั้งหาประการของท่านนั้นท่านหนักในทางสัตินทรีย์คืออินทรีย์คือศรัทธาที่มามีความมั่นคงเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับสตินทรียสี่ประการนั้นไม่เข้มข้นเท่ากับข้อแรกแต่ลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยศรัทธานั้นจะมีความมั่นคงหนักแน่น เพราโดยพื้นฐานจริงๆคนที่มีความศรัทธาก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีใครโยกครอในเกิดความหวั่นไหวเกิดความสับสนเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าพลังของศรัทธามีกาลังมากพอทันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะศรัทธาเองเวลาเขาเพิ่มพูนขึ้นมีลักษณะแบบความเย็นซึ่งทำหน้าที่กระจัดความร้อน ตถาที่มีกาลังบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่ อ, ไ ม, อ, อไม่เชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในคุณของพระธรรมไม่เชื่อในคุณของพระสงฆ์ไม่เชื่อในไตรสิขาออกไปคนระดับนี้ถ้าหา ก, กว่าขึ้นระดับมั่นคงนคือเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วแม้ใครจะขู่จะบังคับ ให้ปฏิเสธคุณพระตนัทไกรบอกถ้าไม่ปฏิเสธก็จะค่ายตายหรือถ้าปฏิเสธจะให้รางวัลเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีแม้จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ในความรู้สึกของท่านที่จิตใจมันผ่านมาระดับนี้ท่านจะมองเห็นสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นขยะแต่สาธุย์ทั้งหลายอาจจะสงสัยว่ามองได้ยังไงมันก็มองได้สมัตท่าน วัตถุสิ่งของสมบัติทั้งปวงนั้นถ้าสภาพจิตเราสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจะไม่มีความหมายมากขึ้นเท่านั้นมันจะเป็นเหมือนกับวัตถุที่ลอยขึ้นไปบนพุวงอวกาศโดยดําดับโดยดําดับแรงดึงดูดของโลกจะทําอะไรเขาไม่ได้โดยดํามดับและในสุดก็จะลอยพ้นรัศมีความดึงดูดของโลกไปอารมณ์ของโลกที่เรียกว่าโลกิยารมณ์ มาดึงดูดได้เฉพาะคนบางพวกเท่านั้นเองเป็นคนที่พื้นจิตตกอยู่ในกาลมาวจรภูหมายความว่าจิตหมกมุ่นคลุ่นคิดอยู่เรื่องวัตถุกรรมเรื่องของความรักความจางจิตใจขึ้นๆลงๆอยู่กับเรื่องเหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนแม้แต่ขวัญก็เหนียวนึกตึกนึกในเรื่องเหล่านี้ถ้าจิตอยู่ระดับนี้เราก็ต้องอ่อนไหวไปได้ แต่เรือง อ, อคนระดับที่ศรัทธาท่านมั่นคงแล้วท่านจะไม่อ่อนไหวคือท่านจะไม่กลัวตายเพราะความตายกลัวไม่กลัวมันก็ต้องตายท่านไม่ต้องการได้ทรัพย์สมบัติสริงคารอย่างนั้นเพราะอาริยคุณเนี่ยมีสมมีคุณค่ามากกว่าสมบัติพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่เราเคยเรียนเรื่องพระเตมีโพธิสัตว์ ที่มองเห็นราชสมบัติเป็นทางนําท่านไปสู่นรกท่านยังใช้วิธีไม่ยอมพูดเพื่อคนเข้าใจว่าท่านเป็นคนบ้าไปจะไม่มอบราชสมบัติให้แก่ท่านโดยความเพียรพยายามทาในการทดลองกระดว ي ติการาต่างๆทรมานกระดวยวิการาต่างๆแต่ท่านถือว่าทรมานท่านอย่างนั้นท่านเจ็บปวดนิดๆหน่อย แต่ว่าการไปสร้างบาปด้วยการรับตำแหน่งประชาจะเป็นความทุกข์ตลอดการยาวนานมากซึ่งความคิดเหล่านี้มันคิดได้เฉพาะคนบางกลุ่มตามระดับจิตของท่านอย่างระดับจิตของพระโพธิสัตว์ที่ทิ้งราชสมบัติได้ตำแหน่งพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเติดออกผนเดี๋จะถามว่าทำไมต้องคิดได้ เพราะว่าใจท่านลอยอยู่เหนืออารมณ์แรงดึงดูดของโลกมันดูดท่านไม่ได้ซึ่งมาเ ร, าเรียนระดับที่ลบหลันกันลงมาท่านสาชนหลายอาจจะมองตรวจสอบดูถึงวันเวลาที่ผ่านมาประการที่ท่านทั้งหลายสามารถสละภารกิจการงานมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังธรรมมาเจริญกรราฐานได้นั้น แสดงว่าใจได้ลอยขึ้นเหนืออารมณ์ต่างๆเป็นอันมากมีแห่งอบายมุกเป็นอันมากที่ท่านไม่เคยผ่านเข้าไปเลยทางด้านมีคนยแย่งเข้าไปใจเงินใจทองเข้าไปแต่ท่านไม่ได้เข้าไปนั่นคือระดับจิตระดับจิตที่มีศรัทธาบ้างมีปัญญาบ้างวินิจฉัยตัดสินดูความเหมาะความควรแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเอง ม่ยอมเปสิ่งเหล่านั้นเมียบำ น, นาจอิจิปุลระดับจิตแต่ละระดับที่จริงมันก็มีอยู่ในคนทั้งหลายมันคงมากหรือมันคงน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของท่านเหล่านั้นที่มีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติคนที่มีศรัทธามั่นคงระดับหนึ่งเนี่ยพิจัดความเครียบแกร่งสงสัยออกไปได้ ความเปลี่ยนแปลงสงสัยนั้นเพื่อนสังเกตว่าท่านเรียกวิจิกิจชามันมีอยู่ทุกระดับระดับหยบัยบๆบางคนเรียกวั น, นิวร์นระดับที่ลึกลงไปกว่านั้นท่านเรียกว่าอนุสัยบ้างสังโยชน์บ้างแล้วเข้าไปยังเขาเร่จนถึงระดับวิปัสสนาญาณแล้วยังมีวิจิกิจชาอยู่เป็นงานเป็นความสงสัยที่ละเอียดทึกซึ้งลงไป ปฏิบัติไปแล้วสงสัยว่าได้บรรลุหรือไม่บรรลุสงสัยวันนี้เป็นกิเลสหรือเป็นธรรมะสงสัยอยู่ในสมาธิสงสัยอยู่ในฌานนั้นแสดงเห็นว่าความสงสัยมันก็อยู่ระดับต่างๆแน่นอนในฌานนั้นอาการไม่ปรากฏแต่พอออกฌานอาการมันก็ปรากฏ ้วยพลังของศรัทธาจะทำหน้าที่ขจัดออกไปแต่มือมีกำลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นสถัทธานั่นเองจะไปฟอกจิตของเราให้มีโลภจางลงให้มีราคะจางลงให้มีโทสะจางลงทำให้เรห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิต เราสามารถเสียสละผลประโยชน์ต่างๆทรัพย์สินเงินทองความสุดวกสบายภารกิจการกงานก็เราเพื่อวัตถุบุคคลที่เราศรัทธาการมื่อเกิดศรัทธาคือมันอยากจะทําอยากจะให้อยากจะรับใช้อยากจะช่วยเหลือสิ่งที่เราได้จริงๆก็คือสุขเป็นความสุขเป็นความปีติเป็นความปราโมทย์ที่ได้ทํางาน ที่ได้ให้ท่านที่ได้บูชาท่านนั้นแสดงเห็นถึงพลังสตตา ม, มันไปทำหน้าที่ขจัดโลภ ะ, ค, ละคือความละโมบขจัดมัจฉริยะคือความสนิทในตัววัตถุสิ่งของที่เราให้แต่เลยว่าการบริจาคทา น, นการให้ทานมันมีวัตถุที่เราบริจาคมีคนที่รับการบริจาค ถ้าเราไม่เสียดายตัววัตถุที่เราบริจาคแต่เราเกิดไม่ชอบคนที่รับการบริจาคเราก็ให้ไม่ได้หรือบางทีเราอาจจะชอบคนที่เราจะบริจาคให้แต่เราก็เสียดายของเราเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะการให้ทานได้แต่ละครั้งเนี่ย ถ้าเราตรวจสอบดูภายในจิตเราว่าในขณะนั้นจะช่วงราวยาวหรือสั้นอีกช่วงหนึ่งสรัธาได้ทําหน้าที่ขจัดโมหะได้ทาหน้าที่ขจัดโลภะได้ทาหน้าที่ขจัดโทสะออกไปได้เพราะรอะไรเพราะถ้ายังมีโมหะอยู่เราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันเช่นเราไม่รู้คุณค่าของการให้ทานผลจากการให้ทานเราก็ให้ไม่ได้ เพราธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ละคราวจึงขัดจัดโลภะโทสะโมหะทุกข้อเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งธรรมะก็มามีความเกี่ยวโยงถึงกันกิเลสก็มีความเกี่ยวโยงถึงกันเพราะเมื่อฝ่ายธรรมะเขาเกิดฝ่รรายกิเลสก็ต้องลดเรต้องลดลงไปแน่นอนในชั้นแรกชั้นต้นๆก็เป็นการชักให้เยอะ ก, กัน ใครแข็งแรงกว่า เ, าเอาชนะไปถึงเราสังเกตสภาพจิตเช่นว่าโกรธจนถึงนึกจะด่าว่าบางทีก็ทำได้แค่ปากมุมเบบางทีก็มองด้วยความโกรธเพราะภายในใจยังต่อสู้กันอาการแด่งนั้นแสดงว่าฝ่ายธรรมะมีกำลังมากกว่าอยู่ คือยังไงไงก็คุมไว้ไม่ให้ออกมาทางบาจจาได้ไม่ออกมาทางกายได้แต่ในการต่อสู้เหล่านั้นเองเราจะเห็นว่าบางทีก็ออกมาหมดเลยแสดงว่าธรรมะมีกำลังไม่มากพอต่อสู้โทสะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ได้ก็าดาออกไปก็ทาอันตรายออกไปแต่พอแพ้มันไม่ได้ แพรเฉพาะโทสะแต่มันแพ้โมหะด้วยคือแสดงโมหะก็เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มความรุนแรงก้นไปไดได้โดยลำดับมันเหมือนกันเริ่มจากการทะเลบบาะวิวาทุ่มเทียงเล็กๆ็น้อยแล้วกลายเป็น ก, การจะลาจนหรือต่อสู้ประหารประหารกันล้มตายก็มีบาดเจ็บมิีที่จริงตอนเริ่มมันก็เริ่มไม่แรงอะไรเท่าไรแต่ว่ามีการกระตุ้นมีการด้วยุ ก, กันอย่างรุนแรง ปริมาณกิเลสพบเพิ่มเรื่อยปริมาณธรรมะธรรมะไม่มีปัจจัยเงื่อนไขให้เพิ่มในขณะนั้นในสุดก็พ่ายแพ้แต่ถ้ามีปัจจัยเสริมอยู่ภายในใจแล้วเรามีสทาเชื่อมั่นในกฎของกรรมเราจับตรงนี้ได้อย่างเดียวก็กไปได้แล้วเพราะสทาความเชื่อมั่นในกฎของกรรมนั้นมันผ่านปัญญามาแล้ว ผ่านปัญญาที่เป็นการการกรองการพิจารณาถึงกระบวนการของกรรมทั้งในด้านการเรียนรู้ทั้งในด้านการคิดค้นทั้งในด้านประสบการณ์ตรงแล้วบางครั้งเราก็ประสบผลกรรมทั้งดีและไม่ดีโดยตัวของเราเองเพราะจากความเชื่อในกฎของกรรมจยน้อยเราจะหยุดตัวเราเองได้เป็นคนมี การประทุษร้ายเบียดเบียนด่าว่วาขมขู่คุกคามเราเราก็มองเห็นว่าเวล น, นี่เขากำลังทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกิเลสได้ครอบงากายวาจาใจเขาแต่เราในขณะนั้นยังไม่ถูกครอบงาเพราะเรายังไม่กรูดตอบยังไม่ด่าตอบยังไม่ประทุษร้ายตอบแต่เขาทําออกมาแล้วเพราะถ้าเราทําอย่างที่เขาทํา ก็แสดงว่าเราก็เร็วอย่างที่เขาเร็วการที่เราหยุดตัวเองไว้ได้ไม่ทาก็ปล่อยเขาเป็นคนเร็วคนเดียวและในสุดทุกคนก็เป็นไปตามกรรมเราก็เป็นไปตามกุศลกรรมของเราเขาก็เป็นไปตามกุศลกรรมของเขาจน ต, ตั้งตั้งหลายเ็นว่าที่จริงมันเป็นเรื่องของศรัทธา แต่วัฏธาเขาจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีปัญญาอย่างน้อยปัญญาที่เราเชื่อในพระพุทธเจ้าทาให้เราเชื่อในประธรรมนั้นเพราะปัญญาเราผ่านการการัรองการปีนิดปิจนา ถ, ถึงพระคุณของพระองค์ถึงพระประวัติของพระองค์ถึงเจตนาลมในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ทําอะไรเพื่อพระองค์เพราะภาระิของพระองคมันเสร็จไปทั้งนานแล้วแต่เป็นการทําเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยความกรุณาเพรา ะ, ะเราก็กพร้อมที่จะน้อมรับพระมหากรุณาของพระองค์ก็ทําให้เราเชื่อในความเป็นสุข แต่เราเชื่อในปัญญาที่ส่งสอนเพราะการจะเพิ่มขึ้นของธรรมะเมื่อทางด้านนี้ด้านกุศลก็เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เราแสดงว่าด้านกุศลคือความโลภความโกรธความหลงก็ต้องลดลงไปถ้ามีความมั่นคงมีปริมาณมากศรัทธา ก, ก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว อย่างที่เคยบอกไว้ว่าพุทธดรารัดที่ทรงแสดงเกี่ยสกับตตา ว, ว่าสามารถขจัดโอขะห้วงน้ำคือกิเลสได้กิเลสที่เราพูดกันมาห้าข้อที่จริงก็คืออาการของโลกกวดหลงเพียงแต่ไม่รุนแรงจนถึงกระก่อการทะาเล่าวิวาดเขณฑ์ขาห้ามผ่านกันมันเป็นความผิดระดับจิตไม่ใช่เป็นความผิดระดับกายระดับวาจา ที่จะเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นแต่ว่าเป็นความขุดมัวเศร้าหมองภายในจิตถามว่าเป็นบาปไหมก็ตอบว่าเป็นบาปเพราะบาปโดยส่วนเหตุก็คือจิตที่ถูกสภาพของกิเลสี้ครอบนาอยมีอการปรากฏแก่จิตก็คือความเร่าร้อนที่ทงใช้คำว่าความวิปปติสารคือเดือดร้อนใจ แล้วก็ผิดปกติวิปติก็คือผิดปกติหมายความปกตินั้นหายไปหรือเสื่อมสิ้นไปเมื่อการผิดปกติเกิดขึ้นเหมือนร่างกายเราผิดปกติมันก็รวนไปหมดทางร่างกายพอใ จ, ใจเราผิดปกติมันก็รวน ใจรวนวาจาก็รวนกายก็รวนพราะแนวการศึกษาแนวการปฏิบัติแต่ปรับมาที่ศีลก็คือเพื่อเกิดปกติศีลยังแปลว่าปกติปกติภาพสภาวะที่จริงๆมันเป็นยังไงก็ปกติอย่างนั้นกายจริงๆเป็นยังไงวาจาจริงๆเป็นยังไงใจจริงๆเป็นยังไงก็ปกติอย่างนั้น บางทีจะเรียกว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจซึ่งหมายความว่าระดับนั้นกิเลสที่มีชื่ออะไรก็ตามมันก็ต้องทำความคุณมวงให้เฉพาะภายในจิตเป็นบาปภายในจิตซึ่งบางครั้งเราไม่ได้คิดไม่เคยได้มองกัน จะมีการด่าว่ามีการตำหนิติดตีมีการด่าว่าคนทำชั่วทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เจะเห็นว่าคำด่าเนี่ยเกิดจากจิตที่ผิดปกติเพราะจิตปกติมันด่าไม่ได้ทําให้ปากเนี่ยผิดปกติไปบางทีพระเจ้าทรงใช้คำว่าสะสมบาปด้วยปาก บางที่ตรงใช้กำลังกว่านั้นตรงช้กับมุขสติแปลว่าหอกปากหอกมันอยู่ในปากแล้วเอาไปทิ่มตําคนอื่นบาปจึงสะสมอยู่ทั้งจิตทั้งวิจาแล้วอาจจะออกมาทางกายตอนนี้เราศรัทธาเรามีกาลังพออาศัยความเชื่อกรรมดังกล่าวนั้นเองมันก็จะแยกได้ชัดเจนว่า กรรมใดใครก่อคนอนั้นก็รับกรรมไปไม่มีการจะเป็นอะไรที่เราจะต้องไปด่าเขาเพราะเราจะด่าหรือไม่ดา่าสมมติเราเขาชั่วเขาก็ชั่วเท่าที่เขาชั่วแต่ตอนนั้นเรายัางไม่ชั่วชั่วก็คือตอนโกรธตอนคิดจะด่าแล้วก็ดา่าวาจาเราก็ชั่วใจเราก็ชั่วตามไป ตัวอย่างนี้จะทำให้เราเห็นว่าพลางังของศรัทธาไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะในความเป็นศรัทธานั้นเองมีปัญญาอยู่มีสติอยู่เขาไม่อยู่เดียวๆทำให้ช่วยอิงอาศัยซึ่งกันและกันธรรมะที่ห้ามกันความคิดการกระทำโดยหวนระลึกตึกนึกถึงเออว่ากรรมเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ และที่พระเจ้าทร ง, งแสดงนั้นเราจะเห็นว่าพาทีแม้แต่พระองค์เองก็ถูกด่าและทรงโยงให้ดูว่าที่ถูกด่าเนี่ยมันเป็นผลของอดีตกรรมคือพระองค์เคยด่าเข า, าและคนเหล่านั้นก็ด่าด่าตอบนะมาลักษณะเหล่านี้อย่างที่สำนวนจีนเขาพูดว่า ประกาศิทสวรรค์และพุทธนาก็คือเรื่องของกรรมจำนวนจีนพูดเป็นนิทานว่าไม่เปิดเผยองค์การของสวรรค์จำนวนพุทธนาก็คือปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามกรรมถึงอย่างที้เคยเล่า ว, ว่าพระเจ้าทรงสอนกรรมฐานพวกอสุภะกรรมฐานแก่พระกลุ่มหนึ่งทรงรู้ล่วงหน้านะ ว่าพระกลุ่มนี้ต้องฆ่าตัวตายแต่พระองค์ไปหยุดตรงนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องกรรมของปัญหาว่าต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็คือทำยังไงว่าก่อนตายเนี่ยให้ใจเธอสงบให้ใจเธอผ่องแผ้วเพราะคนที่ตายไปด้วยใจที่ผ่องแผ้วนั้นจะไม่บังเกิดในทุกขติหรือจะบังเกิดในสุคติได้ก็คงช่วยระดับนั้นไม่ช่วยบรรลุมรรคผลนิพพาน มัช่วยไม่ได้หรอกคนบาปกรรมจนถึงฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่บาปกรรมปกติแต่ก็ช่วยยาให้ตกนรกออก็ได้วกับ น, นั้นก็คือกระบวนการของกรรมไม่มีใครที่จะไปขัดขวางอะไรเขาได้เราคงทำแค่ลดความรุนแรงลงไปแต่ถ้าจะไม่เกิดผลก็คืออย่าทำกรรมตั้งแต่เด็กจึงสอนไว้ในแนวของการงดเว้น ด้วยพลังก็จทาที่ยกมานั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขาจัดกิเลสได้รอบตัวลักษณะของจิตมันก็คล้ายๆกับที่ปราหมคามีสัมผัสคืออาวิหารได้แก่ไม่เดือดร้อนจิตใจเรามั่นคงเราถือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแนละ้วเราเชื่อมั่นในพระพุทธคุณเชื่อมั่นในพระธรรมคุณพระธรรมก็คุณ ใครจะว่าอะไรเป็นเรื่องของคนว่าเราห้ามปากเขาไม่ได้ห้ามใจเขาไม่คิดไม่ได้แต่เราห้ามปากเราได้ห้ามใจเราได้การใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราก็หยุดเพราะเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเพราะลักษณะของชื่อสุทาวาตังาทั้งทั้งห้าชื่อโดยในย่หนึ่งมันก็เป็นสภาพจิตที่ไม่เดือดร้อน เพรศรัทธาที่แก่กรากขึ้นที่เพิ่มขึ้นจึงอํานวยผลเป็นความมั่นคงทางจิตจิตใจไม่ถูกโยกคลอนะเกิดความหวั่นไหวมีความร้าร้อนอย่างจิตอปกติทั้งหลายผลที่นำไปเกิดในสุทธาวาสเป็นราคามีเป็นผลสรุปแต่ที่จริงแล้วเราสัมผัสผลเหล่านั้นตั้งแต่ พระธาตุเริ่มจะตั้งมั่นขึ้นโดยำลำดับตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป